เรื่องสอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรมสมัยนั้นพวกภิกษุถามอันตรายกธรรมกับพวกอุปสัมบทาเปิกขะผู้ยังไม่ได้สอนซ้อมพวกอุปสัมบทาเปิกขะย่อมสะทกสถานเก้อเขินไม่อาจตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อมจึงถามอันตรายยึกธ ร, รมภายหลังพวกภิกษุก็สอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั่นแหละพวกอุปสมบทาเบกขะก็สะทกสถานเก้อเขินไม่อาจตอบเช่นเดิมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อมหน้าที่สมควรจึงถามอันตรายยกธระในท่ามกลางสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสอนซ้อมอุปสัมบทาเปกขาอย่างนี้